สวดเงิมงิงึงงสวดไปฟุ้งซ่านไปสวดมนต์ลวกๆวกทำให้จิตเบลอได้ที่กะจะมาเอาบุญตอนสวดมนต์กลายเป็นมาสร้างต้นตอของบาปถามการสวดมนต์เป็นการฝึกสมาธิได้ด้วยหรือไม่ถ้าหากคุณสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจะเปล่งเสียงเต็มปากเต็มคำ สวดด้วยใจอาดหารสวดด้วยใจที่หนักแน่นเป็นกุศลนั่นเป็นสมาธิได้แน่แต่หากสวดเงิงงมเงิงงมงิมงิสวดไปฟุ้งซ่านไปนอกจากจะไม่ได้สมาธิแล้วเผลอๆยังทำลายสมาธิอีกด้วยสวดมนล์ลูกเนี่ยทำให้จิตเปลือยได้ที่กะจะมาเอาบุญตอนสวดมน์กลายเป็นมาสร้างต้นต่อของบาปลองสังเกต เราสวดมนต์ด้วยอาการอย่างไรจิตของเราก็เป็นไปตามอาการแบบนั้นอย่างเช่นถ้าสวดมนต์ไปแล้วก็ฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยไปด้วยเวลาทํางานก็จะออกแนวเดียวกันหรือแม้กระทั่งกําลังคุยเรื่องสําคัญกับใครอยู่จิตก็จะคอยคิดเลื่อนเปื้อนแล้วเถอะกระโดดไปเป็นจริงโจ้ไปที่โน้นที่นี่ไม่สามารถที่จะหยุดอยู่กับที่ได้นี่ก็เพราะว่าเราทำบุญด้วยอาการของใจอย่างไร ชีวิตและใจโดยรวมก็จะเป็นไปตามนั้นถ้าหากว่าเรามีความหนักแน่นมีความคิดที่ตั้งใจจะถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโอกาสที่จะเกิดสมาธิขึ้นมาจะสูงมากคนที่ตั้งใจสวดมนต์หลายรอบด้วยความเคารพจริงๆเวลานั่งลงทำสมาธิจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า เข้าสมาธิได้ง่ายมีความสว่างเพราะว่าตอนสวดมนต์จิตใจเรานุ่มนวลลงอยู่แล้วมีความสว่างนำอยู่แล้วพออความนุ่มนวลเอาความสว่างของจิตมารู้มาดูลมหายใจหรือคำบริกรรมก็เหมือนกับกลงกลืนเหมือนกับมีความชอบใจเหมือนกับมีความรู้สึกว่าอยู่เรียบง่ายกับลมหายใจหรือคำบริกรรมพุทโธเนี่ยสบายดีอยู่แล้ว มีความสุขดีอยู่แล้วไม่ต้องกระโดดไปหาอะไรอย่างอื่นก็ได้เนี่ยมันจะรู้สึกแบบนี้แล้วก็เลยได้กลายเป็นสมาธิขึ้นมาหมายเหตุผู้อ่านก็ต้องขอย้ำเพิ่มไปอีกนะครับว่าการสวดมนต์ที่ดีนั้นควรจะแปลออกและเข้าใจความหมายด้วยจึงจะเกิดประโยชน์ได้สูงสุด มีตัวอย่างจากหนังสือของอาจารย์พรรัตนสุวรรณท่านก็เล่าไว้นะครับว่าในโลกทิพย์หรือในโลกของโอปะปะติกาภาษาไม่ใช่สิ่งสําคัญเราเป็นการสื่อสารกันด้วยจิตการสวดมนต์ด้วยความเข้าใจความหมายนั้นจะทําให้เทวดาเข้าใจไปด้วยอาจารย์พรท่านว่าผู้ที่สวดมนต์ด้วยความเข้าใจนั้นเทวดามักจะยินดีในการฟังรอฟังและเข้าใจนั่นเองคือเมื่อผู้สวดเข้าใจความหมายเทวดาก็าพลอยเข้าใจความหมายไปด้วย ยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับบุตรสวดป้องกันพูดผีปีศาจและสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นให้ดูความหมายนี่ครับว่าคําแปลของบทสวดนั้นการตั้งใจปรารถนาดีผูกมิตรกับทุกสรรพสัตว์เมื่อเราสวดด้วยความเข้าใจก็ทําให้สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นปล่อยเข้าใจไปด้วยความเข้าใจตรงกันของทั้งสองฝ่ายนั้นก็จะทําให้เกิดผลตามที่ปรารถนาดีมากขึ้นเหมือนเราไปขอโทษใครนะครับถ้่เราขอโทษแบบแปลไม่ออก หรือคนฟังก็ฟังไม่เข้าใจก็จะสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องแต่สำหรับการสวดที่แปลไม่ได้นั้นก็ไม่ใช่จะไม่มีความหมายนะครับก็ยังทำให้เกิดสมาธิได้ดังที่คุณดังตรินท่านว่าไว้แต่ก็ฝากไว้ให้พิจารณานะครับว่าสวดทั้งทีควรสวดแบบไหนและอะไรจะได้ประโยชน์สูงสุดและถ้าหากสิ่งแวดล้อมไม่อํานวยการสวดในใจก็ยังมีประโยชน์อย่างมากเช่นเดียวกัน สำคัญก็คือจิต ท, ที่ไม่ฟุ้งซ่านในเวลาสวดมีสติ ก, กำกับอยู่ทุกคำที่กำลังสวดอยู่นะครับ